จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสารที่14เสภาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันพิเศษเนื่องจากมีการวันประชา องประสมบุารที่จะมาอยู่มาศึกษามาปฏิบัติธรรมที่วัด ญ, ญาณสังวรารามแห่งนี้ทางวัดก็จะมีการจัดวันบวชให้เป็นระยะระยะคือจะบวชรูบวชกันพร้อมกันทีนะหลายหลายรูปเพื่อจะได้ไม่เสียเวลา ให้พระอุปชายะที่ท่านอยู่ที่กรุงเทพต้องเดินทางมาบ่อยๆทั้งวัดเลยรวบรวมจำนวนผู้ที่อยากจะบวชมาให้บวชพร้อมกันในวันเดียวกันซึ่งช่วงนี้ก็จะมีวันบวดไปจนถึงเข้าพรรษาก็คิดว่าคงจะมีอีกสองครั้ง เดือนหน้ามิถุนาครั้งหนึ่งแล้วก็เดือนก ร, รกฎาคมก่อนจะเข้าพรรษาเพราะจะเป็นช่วงที่มีผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะบวชเพื่ออยู่จำพรรษาเพื่อบวชเรียนปฏิบัติธรรมตามแบบฉบับธรรมเนียมของคนไทยเราสมัยนี้เราบวชกัน เพื่อทดแทนบุญคุณของบิดามารดาบวชเพื่อศึกษาเพื่อลิ้มรสของธรรมแล้วก็พอได้เวลาก็ลาศึกษาไปเพื่อไปประกอบอาชีพดำเนินชีวิตของคารวะที่มีคุณธรรมมีศีลธรรม อันนี้เป็นการบวชส่วนใหญ่แล้วก็มีบวชเอกแบบหนึ่งคือบวชแล้วไม่ศึกบวชเพื่อั้าใจศึกษาปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการบวชแบบนี้เป็นการบวชแบบพระพุทธเจ้าบวชแบบสมัยพระพุทธกาล สมัยพระพุทธกาลนี้ในระยะแรกๆ ก, การบวชเกิดจากการที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพอได้ยินได้ฟังก็สามารถบรรลุถึงพระนิพพานบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้เลยเมื่อบรรลุแล้วก็เลยขออนุญาตบวชกับพระพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่รับใช้ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมอันประเสริฐให้แก่สัตว์โลกต่อไป น, นี่คือลักษณะของการบวชในสมัยเริ่มแรกๆของพระพุทธศาสนาเวลาที่พระพุทธเจ้าไปทรงโปรดแสดงธรรม ให้แก่ผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังทมอันประเสริฐพอเขาได้ยินได้ฟังแล้วเขาก็น้อมนำเอามาปฏิบัติที่จิตใจจนทำให้เขาสามารถกำจัด ก, กิเลสตัณหาความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปเขาก็เลย ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่แบบคาราว่าติดต่อไปเพราะการอยู่แบบคารวา่าอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาเป็นผู้สั่งการให้ใช้ชีวิตแบบคารวา่าเพราะเป็นชีวิตที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย แต่เป็นความสุขที่ห้อมร้อมด้วยความทุกข์เป็นความสุขที่ชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเวลาใดที่ไม่สามารถหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้เวลานั้นก็เป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์ใจไม่สบายใจผู้ที่มีความ ฉลาดเห <C oughs> ็นโทษของการหาความสุขแบบคารวะผู้ครองเรือนพอได้ยินได้ฟังพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ใจก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข ไม่ต้องหาความสุขแบบคารวาเพราะมีความสุขที่เหนือกว่าที่เกิดจากการชาระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงเมื่อได้พบกับความสุข น, นี้แล้วก็เลยไม่กลับไปอยู่เป็น คารวะผู้ค้องเรือนเอกต่อไปเพราะว่าไม่ต้องการกลับไปหาความทุกข์ต่างๆนั่นเองอยู่แบบนัก บ, บวชอยู่แบบผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขมีความสงบเพียงอย่างเดียวความสงบที่ถาวร ที่จะอยู่กับใจไปตลอดไม่เหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรนดไม่เหมือนกับราบโนดสรรเสริญที่มีวันที่จะต้องเสื่อมมีวันที่จะต้องหมดไปผู้ที่ยังอยู่เป็นค า, ารวาสหาความสุขแบบนี้อยู่ก็จะต้องพบกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด และไม่ใช่เฉพาะความทุกข์แต่ในภพนี้ชาตินี้เท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะอยู่ในใจก็จะพาให้ใจไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้หาความสุขทางตา หูจมูกลิ้นกายใหม่พร้อมกับรับความทุกข์เวลาที่ไม่สามารถที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้นี่คือหนทางเส้นทางเดินของชีวิตของผู้ครองเรือนจะต้องหาความสุขทางร่างกายไปเรื่อยๆ ร, ร่างกายอันนี้ตายไป ก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่กลับมาทุกข์กับความพลาดพลาจากของที่รักของที่ชอบใหม่เพราะไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาที่จะเห็นโทษของการหาความสุขแบบของผู้ครองเรือนว่ามันเป็นความทุกข์ว่ามันเป็นเหตุที่ทำให้ ต้องใบเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนานๆจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาเกิดแล้วเห็นโทษของการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงได้ตัดสินพระไทยสละการหาความสุขที่มีแต่ความทุกข์ห้อมร้อมอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ออกไปหาความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องม้าเครื่องมือนจนในที่สุดก็ทรงสามารถพบกับความสุขที่ถาวรคือความสงบของใจที่ถาวรได้ด้วยการกำจัดทำลายเหตุที่มาทำลายความสงบเหตุที่มาทาลายความสงบของใจ ก็คือกิเลสตัณหานี่เองอย่างตอนนี้ญาติโยมใจสงบนั่งเฉยๆได้แต่เดี๋ยวเกิดตัณหาความอยากเกิดกิเลสขึ้นมาเมื่อไหร่นั่งไม่ได้เดี๋ยวต้องลุกแล้วเช่นนั่งไปสักพักเกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้กิเลสตัณหาก็จะออกมาบอกว่าไปได้แล้วนั่งมานานพอแล้วนั่งทรมานกับความเจ็บ ทำไมก็เลยต้องหนีความเจ็บไปนี่คือกิเลสตัณหาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวว่ามันเป็นกิเลสตัณหาคนที่เขาไม่มีกิเลสตัณหาเจ็บยังไงเขาก็นั่งเฉยๆได้เพราะใจของเขาไม่มีความอยากที่จะหนีความเจ็บไปเขารู้ว่าหนียังไงก็หนีไม่พ้นหนีไปตรงนี้เดี๋ยวก็ไปเจ็บตรงนั้นต่อ เจ็บตรงนั้นหนีไปก็ไปเจอความเจ็บต่อเขาก็เลยไม่หนีพอเขาไม่หนีเขาก็เลยไม่แพ้ไม่กลัวความเจ็บไม่ต้องหนีความเจ็บใจของเขาสงบใจของเขาไม่เดือดร้อนกับความเจ็บนี่คือวิธีของพระพุทธเจา้าวิธีหาความสุขของพระพุทธเจ้าก็คือวิธีสู้กับความเจ็บของทางร่างกาย ไม่หาความสุขทางร่างกายปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปปล่อยให้ร่างกายทุกข์ไปแต่ใจไม่หวั่นไหวใจสงบใจมีความสุขใจก็เลยไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นที่พึ่งอีกต่อไปนี่คือการบวชในสมัยพระพุทธการบวชเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหา ที่คอยสั่งให้วิ่งหาความสุขทางตาหูจมูกดิ้นกายสั่งให้วิ่งหนีความทุกข์ของทางร่างกายแต่มีจะมีวันหนึ่งที่วิ่งหนีไม่ได้เวลาเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมายาก็ไม่สามารถที่จะรังนับความเจ็บของร่างกายได้ยาก็ไม่สามารถป้องกันไม่ให้ร่างกายตายได้ เวลานั้นเลยเป็นเวลาของความทุกข์ของผู้คองเรือนคนเราทุกคนจึงไม่ค่อยชอบความแก่ชอบความเจ็บชอบความตายกันเพราะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับความแก่ความเจ็บความตายพอเจอความแก่ความเจ็บความตายก็อยากจะหนีเพียงอย่างเดียวพออยากจะหนีก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจทันที แล้วหนีไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงไปปฏิบัติเพื่อไม่ต้องหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายด้วยการควบคุมใจให้อยู่เฉยๆให้ใจสงบเพราะเวลาใจสงบแล้วใจจะไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บความตาย จะไม่ทุกข์กับการสูญเสียสิ่งต่างๆที่รักที่ชอบไปนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้จักทำกันพวกเราเลยต้องร้องโหยร้องไห้กันอยู่เรื่อยๆเวลาที่เจอสิ่งที่เราไม่ชอบก็ร้องไห้เวลาเสียสิ่งที่เรารักไปก็ร้องไห้ เพราะเราไม่รู้จักควบคุมใจของเรานั่นเองถ้าเรารู้จักควบคุมใจของเราให้อยู่ในความสงบใจจะมีแต่ความสุขความสบายไม่ว่าจะเจอสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนจะไม่ร้องหผงร้องไห้นี่คือสิ่งที่พวกเรายังขาดกันเรายังต้องทุก์กันต่อไปเรื่อย เราจึงต้องมาวัดเพื่อมาศึกษาวิธีที่จะทําให้ใจของเราไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆและการที่จะทําให้ใจของเราไม่ทุกข์ได้หลังจากที่เราศึกษาแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติและการปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้ผลอย่างเต็มร้อยก็ต้องไปบวช อยู่แบบนักบวชผู้ที่มาบวชนี้เป้าหมายที่แท้จริงก็คือมาทำใจให้สงบมารักษาใจให้สงบไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามถ้าสามารถรักษาใจให้สงบได้ตลอดเวลาใจจะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆเลยไม่ว่าจะ พบกับความเสื่อมของลาภยศสารเสริญสุดไม่ว่าจะพบกับความแก่ความเจ็บความตายใจจะไม่รู้สึกอะไรเหมือนกับคนที่มีเสื้อเกราะใส่เวลาถูกยิงก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะว่ากระสุนไม่เข้าไปถึงร่างกายนั่นเองมีเกราะป้องกันเอาไว้การปฏิบัติธรรม การทำใจให้สงบนี้จะเป็นเกราะคุ้มครองจิตใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้หวั่นไหวไม่ให้หวาดกลัวไม่ให้วิตกกังวลไม่ให้เสีย อ, อกเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบได้ตัดสรู้แล้วพอนมามาสั่งสอน ให้แก่ผู้ไม่รู้เขาก็เกิดศรัทธาแล้วก็นาเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติเขาก็สามารถมีเกราะคุ้มกันใจของเขาไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆได้เขาก็เลยไม่ต้องกลับไปอยู่เป็นเพศของคารวาะอีกต่อไปเพราะเพศของคารวะนั้นเป็นเพศเหมือนกับ อยู่ในกองไฟดีๆนี่อยู่ในกองไฟจะหาความร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรมีแต่ความรุ่มร้อนจิตใจร้อนด้วยความโลภร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความหลงแต่ก็ไม่รู้จักวิธีดับความร้อนแทนที่จะดับความร้อนด้วยการเทน้ำลงไปในกองไฟกับเทน้ำมันลงไป เวลาเทน้ำมันลงไปใหม่ๆน้ำมันมันยังไม่ร้อนก็เลยทำให้ไฟทำท่าจะดับแต่พอน้ำมันเริ่มร้อนขึ้นมากลับทำให้กองไฟนี้ใหญ่ขึ้นไปร้อนขึ้นไปมากกว่าเดิมนี่คือวิธีที่ผู้ไม่รู้จักวิธีดับความร้อนใจที่ถูกต้องทำกันคือเวลาเกิดความร้อนใจ เกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไปทำตามความอยากพอไปทำตามความอยากความร้อนใจก็หายไปชั่วคราวแต่พอไม่นานความร้อนใจก็กลับร้อนขึ้นมามากกว่าเก่าเพราะไม่ได้ใช้วิธีดับความร้อนใจด้วยนะ้ำวิธีที่จะดับความร้อนใจก็คือต้องไม่ทำตามความอยาก เวลาเกิดความอยากขึ้นมาดึงใจออกจากความอยากด้วยสติเช่นใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากหรืออย่าไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราโกรธ ถ, ถ้าเราไม่ไปคิดเดี๋ยวความร้อนใจก็จะหายไปนี่คือวิธีของพระพุทธเจ้าวิธีที่จะดับความร้อนใจ ได้อย่างถาวรเพราะเมื่อเราหยุดความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะหายไปถ้าอยากแล้วไม่ได้มันก็ไม่รู้จะอยากไปทำไมแต่ถ้าอยากได้แล้วมันก็อยากได้เรื่อยๆถ้ามีคนอยากได้เงินทองมาของเงินทองถ้าเราให้เขาไปเดี๋ยวอีกสองวันเขาก็กลับมาขอใหม่แต่ถ้าเขามาขอแล้วเราไม่ให้เขาเขาก็จะไม่กลับมา พอกลับมาก็รู้ว่าไม่ได้อยู่ดีฉันใดถ้าเราไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเพราะมันรู้ว่าโผล่ขึ้นมามันก็ไม่ได้อยู่ดีเช่นอยากจะดื่มกาแฟก็อย่าไปดื่มมันลองทดลองเลยไม่กี่ครั้งเดี๋ยวความอยากก็หายไปพ pues อรยาเวลาอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มไม่ดื่มทุกครั้งที่อยากจะดื่มก็บอกไม่ดื่มไม่ดื่ม ต่อไปมันก็ไม่อยากเองเพราะมันรู้ว่าอยากแล้วก็ไม่ได้ดื่มไม่รู้จะอยากไปทำไมเราต้องมีความเด็ดเดี่ยวเราต้องกล้ตาต่อสู้กับความอยากของเรา <odles. S 1> ถ้าเราอยากจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจเพราะความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆมันเกิดจากความอยากของเราเท่านั้นเองไม่ได้เกิดจากอะไรอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอไม่ได้เป็นก็จะตายให้ได้เสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาพอเขาเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเดี๋ยวก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาใหม่มันความอยากมันไม่มีวันจบมันจะยาวไปเรื่อยยืดออกไปเรื่อยวิธีที่จะทำให้มันหายไปก็คืออย่าไปทำตามความอยาก คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเรื่องของเขาเรามาหยุดความอยากของเราแล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับการที่เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้การที่เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วทำให้เราเดือดร้อนก็เพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอย่างไรเราก็จะไม่เดือดร้อน แล้วต่อไปเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาเขาจะเป็นจะตายก็เรื่องของเขาเราก็อยู่ของเราไปอย่างสบายนี่คือเรื่องของการมาบวชขั้นต้นก็มาศึกษาวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นหยุดความอยากต่างๆได้ดับความทุกข์ใจต่างๆได้ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นเวลาบวชพระพุทธเจ้าจึงบังคับว่าต้องอยู่กับอาจารย์อย่างน้อย5้ปีห้พันษาไม่ใช่บวชปับ๊บเดี๋ยวก็ไปตั้งสำนักเป็นอาจารย์ขึ้นมาเลยถ้าอย่างนี้ไม่ได้บวชมาเพื่อบวชเรียนบวชมาเพื่อสอนจะเอาอะไรไปสอนถ้าไม่เอาติเลตตันหาไปสอน ความอยากจะสอนผู้ น, นี้ก็เป็นกิเลสตัณหาแล้วเพราะพระพุทธเจ้านี้ไม่มีความอยากจะสอนแต่สอนด้วยเหตุผลด้วยความจำเป็นเพราะถ้าไม่สอนก็ไม่มีใครที่จะรู้ได้ mm hmm. ตอนตอน้นตอนที่ตัดสรู้ใหม่ๆก็ไม่อยากจะสอนใครเพราะเห็นว่าสอนแล้วมันทำยากคนไม่อยากจะตัดกิเลสกันไม่อยากจะหยุดความอยากกัน พอไปสอนให้เขาหยุดความอยากตัดกิเลสเขาก็จะไม่ท่าตามกันตอนต้นก็เลยท้อแท้ไม่อยากจะสอนแต่หลังจากมีเวลาได้พิจารณาดูก็เห็นว่าคนเหล่านี้มีหลายชนิดด้วยกันคนที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามก็มีคนที่ไม่ฟังไม่ปฏิบัติตามก็มีพระพุทธเจ้าก็เลย ตัดสินพระทยว่าไปสอนคนที่เชื่อคนที่ฟังก็แล้วกันส่นคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่ฟังก็จะไม่สอนนี่คือความการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งสอนก็อยากจะสอนถ้าอยากจะสอนนี่แสดงว่าอยากจะเป็นครูอยากเป็นอาจารย์อยากจะมีหน้ามีตาอยากจะมีลูกศิษย์อยากจะให้เขาเคารพกราบว่ว้บูชา อยากจะให้เขาถวายลาบสักการะต่างๆจึงอยากไปเป็นอาจารย์เพราะว่าถ้าเป็นลูกศิษย์ไม่มีใครจะมากาบไหว้บูชาเขารบถ้าบวชใหมน่นี้ส่วนใหญ่จะไม่มีใครเขารบนักถือเพราะยังไม่เห็นฝีมือยังไม่เชื่อว่าจะบวชไปได้สักกี่กี่วันกัน เดี๋ยวบวชไปได้ไม่กี่วันศึกไปก็ทำให้เสียใจได้เขาถึงไม่ค่อยจะไปศึกษาจากภาพที่บวชใหม่แต่สมัยนี้เขามีเทคนิคภาพบวชใหม่เขาจะมีการหวาดร้อมด้วยความพูดต่างๆแสดงผลงานอันเลิศอันประเสริฐที่ได้บำเพ็ญม า, าเพื่อที่จะน้อมน้าวจิตใจ ให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปพิสูจน์ได้ว่าพูดจริงหรือพูดโกหกเพราะเกงใจผ้าเหลืองเมื่อเห็นว่าหมผ้าเหลืองเป็นพระแล้วก็ต้องเชื่อว่าพูดจริงก็เลยถูกหลอกกันไปเรื่อยๆมีพวกที่มาบวชกับตั้งตัวเองเป็นอาจารย์ปั๊มนั่งไม่อีกเป็นไปได้ไม่นานก็ มีเหตุบัตรสีต่างๆเกิดขึ้นทำให้ต้องสิกขาลาเพศไปอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ญาติโยมควรที่จะออกไปพิจารณาเวลาใครบวชใหม่ๆแล้วมาตั้งตัวเป็นอาจารย์นี่ขอให้ระวังไว้ให้ดีไปหาภาคที่บวชมาส0 4สสี่สิปีแล้วจะแน่ใจกว่าเพราะโบราณท่านก็พูดไว้แล้วว่า ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนไม่ใช่คำคำพูดของคนที่เป็นเครื่องพิสูจน์บอกว่าวิเศษอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้แต่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ได้แต่เวลานี่แหละจะพิสูจน์ได้ว่าอยู่เป็นพระมาะได้ถึงสี่ิบห้าปีหรือยังถ้าอยู่ได้ก็น่าที่จะพอจะเชื่อถือกันได้นี่คือ เรื่องของการบวชเรียนบวชแล้วต้องเรียนก่อนเรียนจนกว่าจะบรรลุหลุดพ้นแล้วได้รับป ร, ริญญาแล้วค่อยไปเป็นอาจารย์ต่อไปแล้วก็วิธีเป็นอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นแบบไปติดป้ายปักประกาศไว้ว่าที่นี่รับการสั่งสอนธรรมะคใครต้องการหลุดพ้นขอเชิญมาที่นี่ได้เลยเรียนสามวันเจ็ดวันก็จะได้หลุดพ้น เดี๋ยวนี้มีคนทําอย่างนี้มีพระทำอย่างนี้ส่งไปตามไลน์ต่างๆมีญาติโยมคนหนึ่งเอามาให้ดูประกาศเชิญชวนให้มาเรียนวิธีรัดวิธีบรรลุภายไม่กี่วันคนที่อยากจะบรรลุเร็วๆก็ชอบวิ่งไปหาเลยเพราะไม่อยากที่จะมานั่งทรมานตัวเองพุทโธพุทโธไปรู้สึกว่ามันช้าอยากจะเอาแบบเร็วๆ ฟังปุ๊บได้ปั๊บเลยอันนี้ถ้ามันได้ปับ๊บมันก็บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์กันไปหมดแล้วนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้พระบวชใหม่ให้อยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์แต่ก่อน5ปีแล้วหลังจากนั้นถ้าอยากจะไปปรีคุเวกไปหาความสงบก็ไปทาต่อทาไปเรื่อยๆจนกว่าจะบรรลุ เมื่อบรรลุแล้วก็ค่อยไปสั่งสอนผู้อีกต่อไปแต่ไม่ต้องไปประกาศไม่ต้องไปเรียกร้องให้เขามาศึกษาถ้าเขาสนใจเข้ามาศึกษาเขาได้รับประโยชน์เดี๋ยวเขาไปโฆษณาให้เราเองเราไม่ต้องไปโฆษณาถ้าโฆษณาก็สแสดงว่ายังมีกิเลสอยู่ยังอยากจะสอนอยู่คนที่ไม่มีกิเลสแล้วรับรองได้ว่าไม่อยากจะสอนใคร สอนเพราะความจาเป็นสอนเพราะจนมุมหนีไปไหนไม่ได้เขามาหาเขาขอให้สอนก็เลยต้องสอนเขาเพราะว่าไม่ได้รับอะไรจากการสั่งสอนรับสักการะที่ได้มาก็ไม่รู้เอาไปใช้ทำอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ได้มามันให้ความสุขไม่ได้เท่ากับความสุขที่ได้จากการหลุดพ้นจากกิเลส ต, ตัณหาทั้งปวง นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของการบวชเรื่องฐางการสั่งสอน mm. ก็ขอฝากให้เป็นอุทาหรณ์เป็นเครื่องเตือนใจเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อจะได้รับประโยชน์และความสุขที่จะตามมาต่อไป mm. การสนะก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไหวเพียงเท่านี้